ทำมาด้านปฏิบัตินั้นโดยเสื่อมใหญ่ทำมาเนียนสอนไปที่อื่นสอนที่กายที่ใจของพวกเราเพราะเขียนใดจึงสอนมาที่กายที่ใจเพราะก า, ายใจเป็นต้นต่อของความดีความชั่วความดีความชั่วที่เหเลือตัณหาไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่าจากลมไมาเกิดขึ้นจากลมฟ้าอากาศเกิดขึ้นจากกายจากใจของพวกเรา ฉะนั้นการแสดงธรรมะจึงแสดงเรื่องของกายของใจไได้แสดงไปที่อื่นผู้ฟังเอกายเอาใจเป็นผู้ฟังขณะที่เราฟังธรรมะอย่าปล่อยใจให้คิดปฟุงปรุงไปสู่ส่วนนอกให้กำหนดบทธรรมหรือจะกำหนดจิตนิ่งคอยรับฟังแกธรรมะ ท่านอธิบายไปเท่านั้นอยากให้คิดตรงว่าท่านจะแสดงอะไรให้เราฟังนั่นเป็นหน้าที่ของผู้แสดงควรเรากำหนดจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตอย่าส่งออกไปข้างนอกถ้าเราตั้งใจแบบนั้นการฟังคำที่ท่านแสดงไปก็ไม่มีการรลวไหลออกไปสู่ที่อื่นมีแต่ทางที่จะลวไหลเข้าไปสู่ใจของเราถ่ายเดียว ใจที่ในเคยสงบระ ง, งับก็จะสงบระ ง, งับหรือยังม่สงบระ ง, งับก็ไม่คิดปรุงไปส่วนอื่นซึ่งจะเป็นโทษเป็นภนัยนำทุกมาให้แก่ตัวพอเรารักษาระวังไว้ให้ใจคิดปรุงนี่เป็นการสั่งธรรมะทางด้านปฏิบัติจิตทางใจไว้ยอย่างนั้น ใจก็จะมีวันเวลาได้รับความสงบรับความสบายมีความเอิ้อฟื่นปีติในอัดในธรรมใจที่ตั้งมั่นไม่ได้ใจที่รวมรวมไม่ได้ใจที่ไม่เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นจากความนึกจิตของจิตของใจทางสำหรับตำรา นถือว่ามีวรทั้งห้าเป็นเครื่องปีดกันมาให้ใจของเราทันสงบระงับมีวรทั้งห้าก็คือการมาสันคะความใช่คว า, ามยินดีความติดใจให้รู้สียงปิน่นลดสัมผัสทีหน้าชอบติดติดใจต่างๆถ้าคิดปรุงปรุงไปอย่างนี้ใจก็ไม่มีเวลาลงรวม ได้รับความสว่างสบายได้รับความเยอกเย็นของใจ้อทีสองเห็นว่าพยาบาทคือจิตที่คิดอาฆาตจองล่างจองผานจัดบุคคลต่างๆสรุปแล้วก็คือรักทางนั่นเองกินนมิทะความง่วงเหงาเห้านอนจิตหดหูไม่อยากจะที่นิดพิจารณาอะไร นี่แต่อยากจะหลับโง่วงง่วงอยู่อย่างนั้นธรรมะไม่อยากคิดธรรมะไม่อยากฟังนีแต่อยากหลับอยู่ทายเดียวนี่ขอเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นสนิมอันหนึ่งเป็นมนทิ้นอันหนึ่งหุ่มห่อจิตใจนให้ลงรวมได้หให้เห็นอาจเห็นธรรมอุทะจะกุกุฏจะหมายถึงเมื่อจิตไม่มีความสงบงระงับ จิตในลงรวมเป็นสมาธิความฟุ้งของจิตพุ่งร้านออกไปตามอารมณ์สั้ญยาต่างๆร่างกายที่นั่งอยู่กวดลำคานเยอะเจ็บนั้นปวดนี้จะเรียกว่าศินธมิธะอุทะจักกุจจักความฟุ้งซ่านลำคานของเจ็ของใจนี่เป็นเรื่องห้าทางสมาธิ ด้วยจิตฉาเมือ่อจิตไม่เห็นอาจทําอะไรก็เกิดความสงสัยว่าทาอย่างไรจึงจะสงบเนาะทาอย่างไรจิตใจจึงจะส บ, ะสบายเนาะก็เห็นแต่หมอนแต่เสื่อเท่านั้นนี่แต่จะจะหลับจะนอนนี่แต่อยากจะคิดจะกรุงไปส่วนอื่นเกิดความสงสั ย, สยว่าเราเองไม่มีบุญบารมีตำแหน่งอาจทําว่าไง ถูกจริตนิสัยข้องตนเป็นใต้แบบนี้ปกติของจิตที่ในรวงรวมฉะ <c oughs> นั้น <c oughs> เรื่องนี้วานทั้งห้า <c oughs> ก็มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานีวานตัวใดเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่กำหนดอยู่ก็เพิ่งกำจัดป่ดเป่ามีวานนั้นให้ตกไปจะให้มาความงามจิตใจข้องตน เมื่อนี้วรตกไปใจก็จะเกิดปีติคือความอิ่มใจในความเปลี่ยนความเห็นความรู้ของการจตะคำเมื่อมีปีติปัจิความระงับเรื่องที่เหลือตัญหาความระงับอาจับกิริยาที่ฟุ่งฟูงต่างๆระงับดับลงเรื่องของทุกข์ภายในกายก็ระงับดับลงเหมือนกัน จะเกิดเห็นเด่นชัดขึ้นจากจิตจากใจระงับดับมีบอนเห็นเด่นไปจับความสุขของการต่อไปปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล้วยินดีเงื่อนใสเต็มใจอยากมาพิชิตปฏิบัติเมื่ความสุขเกิดขึ้นเห็นสุขไปจากในจิตในใจ จะขยับเยื่ยนเข้าไปถู่เอกัติตาคือความเป็นหนึ่งละซึ่งสุมีแต่อุเบกขากับเอกัติตาแนบแน่นอยู่ในจิตในใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจะนั่งขนาดไหนกี่วันกี่คืนจิตไหมฟูงฟูงมาสู่เรื่องนอกแล้ววันเวลาไม่คำนึงคำนวณ มันหมดไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีถครจิตยังไม่ถอดไม่ถอนเมื่อใดความอยู่ในอเรียบทนั้นจะอยู่เรื่อยไปไม่มีรับสัมผัสจากใครนอกมีความที่จิตลวรวมถึงที่เรียกว่าเอากัตตารมหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตเห็น เป็นขึ้นอย่างนั้นความเชื่อมั่นในอัตในธรรมจะต้องประทับในจิตในใจไม่มีการหลงไม่มีการลืมความเป็นของจิตชนิดนั้นเชื่อมั่นเกิดอาจระศัทธาคือไม่มีการหวั่นไหวหว่าศาสนาล่วงไปขนาดนี้จะมีมรรคผลหรือไม่ความสงสัยในใจที่เรียกว่าวิกิกิจชาวจะไม่มี ในขัานผู้เป็นผู้เห็นอย่างนั้นนี่จะตั้งหน้าตั้งตาหากเพียรพยายามจะทำบําเพ็ญเลื่อยไปถึงใครจะกล่าวตูดูถูกกว่าการทำก็ไม่ไรมักได้ผลอะไรเพราะศาสนาล่วงไปมักผลหมดไปไม่มีใครที่จะประพฤติปฏิบัติได้อัดได้ทำที่เดีเด่นเห็นนักเห็นผลเขาจะ ว่าขนาดไหนทัดทานทัดทานขนาดไหนจิตใจของผู้เห็นผู้รู้ย่อมไม่มีวันที่จะสลายตัวไม่มีการเอียงไปตามลมปากของเขาเชื่อมัน่นอยู่ในตัวของตัวเส ม, เมอไปแต่การทำที่เห็นเด่นชัดอย่างนั้นเราได้ปฏิบัติกันอย่างไรคำนึงคำนวณถึงปฏิปทาที่เคยปฏิบัติมาจนจิตรู้เห็นว่าเราเคย เป็นเคยรู้นั้นในที่เจณาปล่อยสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นจิตจริงเห็นเด่นดวงลงไปอย่างนั้นเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติได้ทุกการทุกสมัยเข้าใจในอัดในทำการแต่เพื่อปฏิบัติอัดทำเป็นอย่างนั้นผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงเชื่อมั่นทุกการทุกเวลา หรือว่าศาสนาเป็นอาการลิโกไม่มีการไม่มีเวลาผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติการใดสมัยใดเวลาใดตั้งใจอบรมตัวเองให้เข้าในกรอบของศีลของธรรมแล้วจะต้องเห็นผลประจักษ์ชัดเจนเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นท่านจึงไหมมีการหวั่นไหวและไม่มีการละถอน ต่างหน้าต่างตาผมเพื่อปฏิบัติคือการภาวนาเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานภายนอกงานของใจจิตเห็นที่เป็นในใจรู้สึกแบบปลื้มใจดีใจมากกว่าได้วัตถุส่วนอื่นเพราะเรื่องวัตถุส่วนอื่นมันมีดาดดื่นคนที่มีวัตถุเข้าขวาง มากมายกายกองแต่หาความสุขของใจไม่ได้เหลือดร้อนวุ่นวายทานไม่ได้นอนไม่หลับความคิดปรุงของจิตของใจเฉลี่ยัญหาบังคับความอยากมันไม่มีเมืองพอได้เท่าไรมันก็ยังไม่พอแก่จิตแก่ใจแล้วก็มีการระมัดระวังมีการแสวงหามีการรักษา เขาจะมาพ่นมาจี้มาตีมาฆ่าต่างๆนั่นไทยของด้านวัตถุส่วนด้านธรรมไม่เป็นอย่างนั้นสะดวกสบายอยู่สถานที่ใดหยุดเย็นกายใจอยู่สถานที่ใดเงียบสงบโจรมารทายนอกไม่สามารถที่จะมาจี้พ่อนอาจทําจากบุคคลผู้ประพฤติบัติได้ ท่านจิงอยู่สบายภัยอันตรายภายนอกไม่มีรักษาแต่ จ, จิตใจของตัวมาให้ความปรุงปุงของใจคิดไปเรื่องนอกแต่ก็ไม่ได้รักษายากเหมือนคนที่ยังไม่เห็นไม่เป็นเหตุใดจึงไม่รักษายากเพราะจิตเห็นจิตเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเป็นของดีเด่นมีคุณค่าส่วนคิดปรุงปรุงไปภายนอก เป็นเดืองเสียเวลาหักห้ามง่าเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อใดเข้าใจเหมือนั้นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวของธรรมเป็นอาจธรรมตัทดทิ้งอย่างง่ายดายส่วนคนที่ไม่เห็นไม่รู้ควรจะต้องติดตามอารมณ์สัญ้นญาต่างๆหนั่งภาวานาะสักแต่ว่าเป็นจิริยาแต่จิตใจจะเข้าไปเป็นภาวานาะสำระกชั่วบ่มเพนดี ภายในจิตจริงจังไม่ค่อยมีถ้ามีถ้าเห็นเด่นในตัวแล้วเชื่อจริงๆเวลาที่ผ่านไปไม่ได้เสียหาทุกการทุกเวลารักษาได้ความเป็นไปของใจรักษาง่ายเพราะมันอยู่กับตัวไม่ได้อยู่ที่อื่นสติมีทุกเวลาเป็นมหาสติโดยไม่ได้ตั้งเอาไว้สัมผัสกับความ ปรงของใจอยู่สม่ำเสมอผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นท่านจึงถือว่าผู้ที่รู้เข้าถากขันรู้เข้าตั้งฐานคือสังฐานมันปรุงอย่างไรเข้าใจรักษาง่ะใจสะดวกใจสบายใจเยือกใจเย็นนี่แหละเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอาธิธรรมเป็ของที่มีคุณค่าวิเศษประเสริฐอย่างนี้ พระพุทธเจ้ากอดีสาวกกอดีผู้เห็นอัศเห็นธรรมจริงจังจริงละเรื่องของโลกได้ค่ะไม่มีการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีความสัมผัสอยู่ในอัตในธรรมยินดีปลื้มใจในความเป็นของตัวอยู่เสมอเพราะความชั่วความเสียต่างๆ ไม่มีมาลบวนกิดใจให้วุ่นวายขัดข้องเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติได้ถึงที่สุดรีมูรจริงจังก็ไม่มีการระวังรักษาอะไรต่อไปเพราะเหลืองของสมมติไม่เข้าถึงเหลืองของรีมุธพูดออกมาก็เป็นเหลืองสมมุติความบริสุทธ จริงจังพูดไม่ได้เหตุนั้นสมมติมีถึงแค่ไหนรีมุิที่หลุดออกไปเป็นอย่างไรจะประทับใจของผูป้ปฏิบัติฉันจันมั่นฉันจึงเคยบอกสอนให้ขอดิดแก่นักปฏิบัติว่านะวะ่ารพุตระธรรมมีเก้ากว่ า, ารเหมือนเลขมีเก้าตัวว่าหมนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้า เลยนั่นก็เป็นศูนย์มตรติฝนสีนิพพานหนึ่งนี่เป็นสมมติเลยนั่นเป็นอะไรผู้ปฏิบัติถึงจิตขันจริงจังจะประทับใจจะรู้จะเข้าใจในเรื่องนั้นไม่มีปัญหาไม่มีการสงสัยเลขที่เราเขียนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็อาศัยเลขยก้าตัวเท่านั้นแหละ เลขศูนย์จะไปบวกลบคูณหารกับตัวไหนไม่มีค่าไปคูณเขาก็ไม่ขึ้นไปลบเขาก็ไม่ลงคงที่อยู่อย่างนั้นแต่เลขศูนย์ั่นแหละถ้าหากเอาไปนําหน้าเราเขียนเลขหนึ่งเอาศูนใส่ข้างหน้าขึ้นอีกสิบเท่าถ้าเติมตัวอีกหลายศูนย์ก็เป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปศูมีคุณค่าสารประโยชน์อย่างนั้นจิตของพวกเราท่านถ้าว พ, พฤฤืชปฏิบัติ ไปถึงจุดหมายปลายทางคือจิตถึงรรมุดถึงศูนย์แล้วจะเป็นของมีคุณค่าเลิศประเสริฐยิ่งกว่าจิตธรรมดาใ จ, จ, จะไปติดกับอะไรไม่มีจะไปลบก็ไม่ขาดจะไปบวกก็ไม่ขึ้นจิตที่ถึงรรมุตเป็นอย่างนั้นไม่มีติดไม่มีข้อง ในความเป็นความเห็นของโลกของหูของต่านี่ที่สุดลีมุดจริงจังผู้ท่านรู้ท่า น, นเห็นท่านอธิบายอย่างนั้นพวกเราท่านที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก่อพากันแต่ ท, ำำทําบําเพ็ญเพราะความรู้ความเห็นส่วนนั้นท่านไม่ได้มาจากที่อื่นได้มาจากการประสึตปฏิบัติ ความติดข้องท้องใจมีมากเท่าไรความยึดถือมีมากเท่าไรความห่วงใยความเป็นทุกข์จะเกิดมากเท่านั้นแต่าหากความติดข้องหมดไปเราละได้ถอดถอนได้ความเบาความสบายท้องใจก็จะเห็นไปเป็นระดับเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดเมื่อใดก็มไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าที่สุดเป็นอย่างไร จะไม่มีการสงสัยในตัวเองว่าความคล่องความติดในพบชาติจะมีอีกหรือไม่เข้าใจชัดเจนในเมื่อรู้เห็นความบริสุทธิ์นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรข้างหน้าท่านก็ไม่ต้องสงสัยเพราะปัจจุบันไม่ติดกับอะไรอะไรจะไปก่อพบกก่อชาติอีก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 แล้วก็เกิดเกิดแล้วก็แย่ก็เสียก็กาตายอยู่นั้นโลกทั้งหมดมันเป็นอยู่อย่างนั้นความเสื่อมความเจริญของใจก็เป็นโลกอันหนึ่งเป็นโลกภายในไททิตดไทจัน์ก็เรียกโลกอันหนึ่งอีกเหมือนกันกลางวันกล้งคืนนับหมุนกันอยู่ความจริงของเก่าไม่มีอะไรใหม่ในโลกอันนี้มีแต่ของเก่าทั้งนั้นแต่พวกเราท่านในพิจารณาถึงความเป็นจริงของมัน จิตของพวกเราท่านยังตะคุบเงายังลุ่มหลงตามสมมุติกเลยเห็นว่าอันนั้นใหม่อันนี้ใหม่ปีใหม่เดือนใหม่วันใหม่นี่เป็นเหลืองสมมุติความจริงวันก็งของเก่าทิจจันอังคารพุทธหาสตร์ูกเสาจะมีไปกีปี ก, ก่อนมีวันเก่านี้แหละจิเขาสมมติคนก็คนเก่ามีเกิดแจ่เจิตายของเก่า นี่อะไรพน่าสงสัยในโลกพอที่จะยินดีเกิดตายแต่พิจรารณาแยบคายลงไปให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงมันจะถอดจะถอนจะละในความติดข้องในความยึดถือจิตจะมีความสุขจิตจะมีความสบายตายหรืออยู่ไม่เป็นปัญหาสำหรับผูท้ที่พิจรารณาถึงที่สุดเป็นอย่างนั้น ถึงศูนย์เป็นอย่างนั้นศูนย์ทำไมไมันมีอยู่หรอไม่ใช่ทนิ้พานังปรามังศูนย์อย่างศูนยไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นพบชัดอะไรต่ออะไรศูนไปหมดมีความเียนความเป็นความคิดของผุุ้ชนคนหนาถือว่าอย่างนั้นแต่ความจริงผู้ปฏิบัติอะไรมันศูนย์ท่านก็รู้จักศูนย์เป็นอย่างไรท่านก็รู้จัก เพื่อจนให้หมดสงสัยมันจริงจะไม่มีปัญห า, ากระถังกระถาความสงสัยในจิตในใจถ้าติเพีชยงยังไม่ถึงจิตขั้นอะไรอา น, นิสงส์ของการปฏิบัติก็จะเป็นทับใจของตัวเองอยู่แต่ก่อนเราเคยจิตขลองลุ่มหลงขนาดไหนเดี๋ยวนี้มันเบาสบายมาอย่างไรความคิดกรุงเหลืองหน่อคอยโตออก นิดทีหน่อยเพราะการประพฤติปฏิบัตินับวันเบานับวันสบายไปมีหมายถึงผูกใช่ทำพิษทำธรรมะการโมผวังหัวติผูกประพฤติทำย่อมอยู่เป็นสุขทำในประพฤติทำไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะมีความสุขสุขก็สุขเพราะความรุ่มหลงไม่ใช่สุขเพราะความรู้ความรู้จริงๆ ต้องสุกอิงเรื่องของธรรมฉะนั้นกายใจของพวกเราท่านมีอยู่ที่จะรู้จะเห็นที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อะไรไม่มีมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าหรืออรอยิยะเจ้าท่านก็มีเหมือนกันกับพวกเราท่านปฏิบัติก็ปฏิบัติชำระสิ่งที่มันเคยก่อควน ให้ได้รับความยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นทุกข์ประพฤติปฏิบัติละถอนส่วนนั้นมาให้จิตติดข้องพิจะะารณาในเห็นโทษในส่วนเหล่านั้นจนเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในการเกิดการตานการติดตันข้องจิตหลุดลอยออกไปจากสมมติเป็นมีมุด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 จะต้องรู้เพราะการประพฤติปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าปฏิบัติด้วยความหลงพุทธะคือผู้รู้รู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาที่จิตเคลื่อนไหวเป็นไปต่างๆจิตหยาบเราก็รู้จิตละเอียดเราก็รู้จิตหมดที่เหลือตัณหาเราก็รู้พุทธะผู้รู้ ก็คือเรื่องของจิตพุทธะที่มาสอนโลกนั่นเป็นพุทธะอันหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมของวินัยทีถันมาแนะสอนสาวกพุทธะนั้นก็เป็นมงคลสำหรับประชาชนที่ได้ไปกล่าวว่าสักการบูชาแต่พุทธะภายในพุทธะของใจตัวเองเป็นของสาคัญยิ่งหากเห็นพุทธะองค์นี้ พุทธะตัวนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงจังแล้วพุทธะส่วนนั้นก็ไม่มีการสงสัยผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นความบริสุทธิ์หมดจดจากพิเลนต์ตัณหาถราพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราก็ไม่มีการสงสัยเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอีกเพราะความบริสุทธิ์ของใจเราเป็นอย่างนี้นี่คือความ เห็นการปฏิบัติบำเพ็ญที่เต็มที่ผลจะต้องเกิดจะต้องเห็นขึ้นอย่ามีความสงสัยในตัวเองให้เร่งจะททำบำเพ็ญชาติของมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดสามารถบำเพ็ญคุณงามความดีให้เด่นประเสริฐ <c oughs> พิเศษได้ผู้ที่เป็นโสดาส ก, กิชาชาอนาคาอารหัน ล่วนแต่ได้ทำหากเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราท่านคนที่ชั่วช้าลามกตกนรกเอเวจีแเ้าก็ไปจากมนุษย์อีกเหมือนกันแต่นั้นจงพากันเวนเรื่องชั่วต่อเพื่อเรื่องดีให้ทวีคูณขึ้นจนเป็นที่พอจิตพอใจในตนในมีการ กังวลบุ่นวายในการเกิดแจกเก็ดตายอีกต่อไปพอใจถึงที่สุดจะหมดปัญหาในเรื่องมักผลต่อไปถึงจะไม่ประกาศให้คนอื่นรู้จักแต่ความบริสุทธิ์ประกาศในตัวของตัวเองเข้าใจอยู่อย่างนั้นแต่ความอยากว่าเราดีเด่นเป็นธรรมขนาดนี้อยากจะให้คนอื่น เขารู้เห็นว่าเราดีเราเด่นมันก็ไม่มีความอยากอะไรทั่วไปพูดถึงเสื่องห้องใจมันหมดนี่คือถึงความหมดความบริสุทธิ์ถึงพุท ธ, ธ่าจริงจังฉะนั้นพวกเราท่านึงอุตส่าห์พยายามจะทําตามโอวาทของพระพุทธเจ้ามันกำหนดทีนิพพิจารณากายใจองตนํตำระสระสาร ความยุ่งเหยิงของใจความเดือดร้อนของใจทำทุกข์ของใจปาดเป่าออกไปให้หมดให้เบาให้สบายบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุติให้เกิดมีขึ้นศีลก็ับใ่อื่นกายวิจารกายวิจาอยู่ที่ไหนก็เพื่ออยู่กับตัวของเราท่านไม่ได้อยู่ที่อื่น โทษต่างหากที่ท่านบัญญัติไว้ห้าหรือแปดสิบสอง้ยี่สิบเจ็ดนั่นโทษของกายของวายจาที่ไปกระเพื่อชั่วไปทําชั่วไปพูดชั่วแต่ความจริงศีลตัวเดียวคือตัวของเรานี่เองจึงรักษาง่ายสตมาที่ความหนักแน่นของใจแล้วจะมีอยู่ที่ไหนใจมันมีอยู่ที่ไหนอยู่ท้องฟ้าอากาศแล้ว อ, อยู่กับตัวเรา ทำอย่างไรจิตใจจริงจะหนักแน่นเชื่อมั่นอัศจรรย์ก็อพอการระอพติปฏิบัติกำจัดความชั่วออกไปไม่ให้นิวรนเข้ามาวกคุมหุ่มหอ่อจิตใจของสนสำระอวิชาตัญหาอุปาทานต่างจิตไม่เคยลงรวมก็จะลงรวมได้จิตไม่เคยเบาสบายก็จะเห็นปัญญาที่ารณาแยบคลาย อย่างความติตขลองคลองใจเมื่อเห็นตามเป็นจริงก็ละถอนปล่อยวางโดยอัตโนมัติของมันไม่ยึดมั่นพื้นมันอีกพอมันเห็นตามเป็นจริงหายสงสัยที่เรางมกันอยู่กว่าเพราะยังไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงยังสงสัยว่าอะไรจะเป็นอะไรเห็นนั้นจริงคนหาเลยงงกันอยู่ถ้าหาเห็นตามเป็นจริง จะหายจากความสงสัยทั่วไปเรื่องการอบรมใจการต่อเพืปฏิบัติเป็นของที่มีคุณค่าสาระประโยชน์แจ่ตัวข้องตัวอย่างนี้ในใจมรรคผลเนพทานพระพุทธเจ้าหรือสาวกหาถามไปยังมีดีเด่นอยู่สำหรับผู้ตั้งหน้าตั้งตาประเพื่ปฏิบัติเราทุกคนกุมมงมัน มาศึกษาหาธรรมะกว่าเพื่อิจรารณาเหลืองกายใจองตนให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงศีลก็มีอยู่ในตัวของเรารักษาง่ายอะไรที่เป็นโทษที่ผิดข่าเขาตีเขาเบียดเบียนเขาเขาข่าเราตีเราเบียดเบียนเราเราชอบใจไหมเมื่อเราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไปทําคนอื่น ไม่ไปข้าศัตรูการลักการสมุนยเขามารักของเราเราชอบใจดีใจไหมเบื่อเราไปรักไปสมุยของเขาเขาก็ต้องมีการเสียใจไม่ชอบใจเหมือนกันกับเขามารักมาสมุยของเราตัวอื่นก็เหมือนกันเมื่อเห็นตัวความชั่วกว่าละความชั่ ว, ว, าวดารักษาศินง่ายพอเห็น เขาเห็นเราเหมือนกันการรักษาศีลการบ ên, ําเพ็ญจิตบําเพ็ญใจขอบําเพ็ญลงไปกําหนดลงไปพิจารณาลงไปอย่าส่งออกไปนอกกําหนดกลดคิดติดตามเรื่องอาจเรื่องธรรมทิาทจะะารณาให่เห็นอย่างชัดเจน